ขอร้องนะคะให้ญาตินยกลงศพลงมาเพื่อทำการแก้มัตรสังที่ได้กระทำไปอย่างไม่ถูกต้องตามวิธีออกไปแล้วก็ขออโหสิกรรมจากศพผู้ตายเพื่อเขาจะได้ไม่มารบกวนอีกนะคะวิญญาณของคนตายรายนี้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 พอทุกคนรู้เรื่องก็รีบวิ่งขึ้นไปบ้านนะคะเพื่อไปดูพี่พาซึ่งเมื่อทุกคนได้เห็นอาการของพี่พาในตอนนั้นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพี่พาเนี่ยโดนผีเข้าสิงเข้าแล้วแม่นะคะซึ่งไม่ใช่คนกลัวผีก็ได้ตะหวาดใส่พี่พาเพื่อให้วิญ ญ, ญาณที่สิงอยู่เนี่ยเกิดความกลัวแต่ว่าวิญ ญ, ญาณที่สิงอยู่ในร่างของพี่พาเนี่ยไม่ได้กลัวเลยค่ะมันก็ยังคงทําตาขวางเหมือนเดิมมองหน้าคนนู้นทีคนนี้ทีแล้วก็หัวเราะชอบใจแบบเย้ยหยัน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 บีเองขออนุญาตสมมุติชื่อขึ้นมาว่าคุณอ้อมนะคะคุณอ้อมเองมีเรื่องที่จะเล่านะคะที่เพิ่งจะประสบพบเจอมาไม่กี่ปีมานี้มานําเสนอให้กับแฟนๆพระเจอผีได้ฟังกันบีก็ขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะคะเมื่อตอนปีพศ2542คุณอ้อมได้เข้ามาทํางานที่กรุงเทพโดยเข้ามาเป็นช่างเย็บจากอุตสาหกรรมที่ร้นเย็บผ้าโหลแห่งหนึ่งย่านสาธุประดิษฐ์ค่ะซึ่งพี่คนในหมู่บ้านเดียวกันกับแกเนี่ยได้สามี เป็นคนกรุงเทพแล้วก็ยึดอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ้าโหลส่งตามโรงงานเพื่อทำการส่งออกไปยังประเทศตะวันออกกลางอีกทีหนึ่งสามีของพี่ผู้หญิงคนนี้คุณออมเรียกแกว่าเฮียเพราะว่าแกมีเชื้อสายจีนแล้วก็เป็นคนนี้ัยดีมากมีความเป็นกันเองกับทุกคนนะคะแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดี แกมีลูกวัยประมาณ3ามขวบอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นลูกคนเดียวด้วยชื่อว่าน้องตูนทุกคนในร้านต่างก็รักใคร่น้องตูนด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะกับผู้เป็นพ่อแล้วด้วยน้องตูนเนี่ยเปรียบประดุดแก้วตาดวงใจกันเลยทีเดียวค่ะ คุณอ้อมทำงานอยู่ที่นี่หลายปีนะคะแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้รับข่าวร้ายค่ะว่าเฮียแกถูกรถชนตายขณะกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปซื้ออุปกรณ์ในการเย็บผ้าให้กับคนงานแกเสียชีวิตค่ะที่โดยไม่มีโอกาสได้สั่งเสียลูกเมียอันเป็นที่รักเลยแม้แต่คำเดียวคุณอ้อมบอกว่าจำได้ดีนะคะว่าในตอนกลางคืนก่อนหน้าที่เฮียจะเสียชีวิต ในวันเดียวกันทุกคนต่างก็ต้องแปลกใจกับการร้องไห้งองแงอย่างไม่มีเหตุผลของน้องตูนซึ่งก็ผิดปกตินิสัยของแกที่เป็นเด็กร่าเริงแจม่มใสแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่โยเยแต่ว่าในคืนนั้นค่ะน้องตูนก็มีอาการผิดปกติไปจากเดิมคือเอาแต่ร้องไห้แสดงอาการหวาดกลัวแล้วก็ชี้ไปที่ประตูบ้านเหมือนกับเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็นนะคะ ตอนแรกทุกคนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องในทำนองลี้ลับหรือว่าลางร้ายอะไรแต่พอรุ่งขึ้นก็ทราบเรื่องว่าเฮียถูกรถชนตายทุกคนต่างก็คิดไปในทางเดียวกันค่ะว่าน้องตูนเนี่ยอาจจะไปเจอะเจออะไรบางอย่างที่น่าหวาดกลัวนั่นก็คือผู้ที่จะมาเอาชีวิตพ่อของแกนั่นเองค่ะทุกคนก็คิดแบบนั้นและเมื่อคิดได้ก็รู้สึกขนลุกขึ้นไปตามๆกัน หลังจากที่เฮียแกได้เสียชีวิตไปประมาณ2เดือนทุกคนก็ยังคงต้องช่วยกันทำงานที่ยังค้างค้างตามออเดอร์ให้เสร็จซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็ได้ตั้งใจกันว่าจะพากันกลับบ้านนอกพี่ผู้หญิงบอกว่าอยากกลับไปอยู่บ้านนอกสักพักหนึ่งเพราะว่าสามีแกเสียชีวิตแกก็ไม่สามารถที่จะสารงานได้ต่อเนื่องจากไม่มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจนะคะ ซึ่งตอนค่ำของวันก่อนที่จะเดินทางกลับต่างจังหวัดกันนั้นพี่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาของเฮียเนี่ยก็ได้ออกไปซื้อของที่ห้างฝากน้องตูนที่กำลังนอนหลับไว้กับคุณอ้อมโดยน้องตูนก็นอนอยู่บนห้องชั้นสองส่วนคนอื่นๆก็กำลังสารวณกันกับการเก็บข้าวของของตัวเองเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านคุณอ้อมเดินขึ้นไปบนชั้นสองค่ะเปิดประตูห้องนอนของพี่ผู้หญิงเข้าไป ก็คือภรรยาของเฮียเนี่ยแหละนะคะโดยตั้งใจว่าจะไปอยู่ใกล้ๆกันกับน้องตูนเผื่อว่าน้องตูนตื่นขึ้นมาจะได้ไม่ต้องตกใจแต่ว่าพอเปิดประตูแล้วก็อ้าออกขณะที่กำลังจะก้าวเท้าเข้าไปคุณอ้อมบอกว่าเป็นภาพที่จะต้องจดจำติดตาฝังใจไปชั่วชีวิตเลย เขาบอกว่าเหนือหัวนอนของน้องตูนที่กำลังหลับสนิทอยู่นั้นเห็นร่างของเฮียแกกำลังยืนอยู่ร่างกายของแกเกละกลังไปด้วยคราบเลือดใบหน้ามีบาดแผลถลอกเขียวช้ำแล้วก็อยู่ในชุดที่แกใส่ก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมานั่นเองคุณอ้อมตกใจนะคะด้วยความตกใจนี้ ถึงกับต้องกรีดร้องแล้วก็เป็นลมหน้ามืดลมพับลงคาประตูค่ะคือมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเมื่อทุกคนพากันวิ่งมาหาแล้วก็เขย่าร่างของคุณอ้อมจนฟื้นคืนสติกลับมาอีกครั้งหนึ่ง คุณอ้อมก็ได้เล่าสิ่งที่เห็นให้กับทุกคนฟังทุกคนต่างก็หวาดกลัวไปตามๆกันนะคะมีเพียงแค่ภรรยาของเฮียเท่านั้นที่ยังคงนั่งร้องไห้จนตาแดงเมื่อรับรู้สิ่งที่คุณอ้อมเห็นแกบอกว่าเฮียก็คงจะเป็นห่วงน้องตูน ล, ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่จะต้องถูกพากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็เลยได้มาหาด้วยความรักด้วยความผูกพัน แล้วก็เชื่อนะคะว่าวิญญาณของเฮียแกจะยังคงไม่ไปไหนก็ยังคงอยู่เคียงข้างกับน้องตูนไปตราบนานเท่านานนะคะก็ขอบคุณเรื่องราวเหล่านี้จากคุณอ้อมนะคะที่ส่งเข้ามาให้เราเล่าให้ฟังทางแฟนเพจพระเจอผีด้วยค่ะ